มองเป็นเรื่องตลกดีกว่าเมื่อเราวางอัตราตัวตนของเราลงเมื่อนั้นจะไม่มีใครทำให้เราหวั่นไหวได้ถ้ามีใครสักคนด่าเราว่าไอ้โง่ เหตุผลเดียวที่จะทำให้เราเสียใจคือเราเชื่อว่าเขาอาจจะพูดถูกหลายปีก่อนอาตมากำลังนั่งรถอยู่บนถนนไฮเวย์ในเมืองเพิร์พวกหนุ่มๆในรถยนต์เก่าๆคันหนึ่ง เห็นอาตมาเข้าก็เริ่มส่งเสียงล้อเลียนอาตมาผ่านหน้าต่างรถที่เปิดอยู่เฮ้ยไอหัวล้านไอสกินเฮดขณะที่เขาพยายามยั่วให้อาตมากโกรธอาตมาก็หมุนกระจกรถลงแล้วตะโกนกลับไปว่า บ้างสิุจะได้ไม่ดูเป็นผู้หญิงความจริงอาตมาไม่น่าจะทำเช่นนั้นเลยมันเป็นการส่งเสริมยั่วยุคนหนุ่มๆพวกนั้นคนหนุ่มคือกขนองขับรถมาเทียบข้างรถของอาตมาแล้วดึงแมกกาซีนออกมากลาง อาปากกว้างแสดงท่าทางให้อาตมาดูรูปในแมกกาซีนนั้นมันเป็นหนังสือเพลไบ y ยอาตมาหัวเราะกับอารมณ์ขันที่ขาดความเคารพนับถือของเขาอาตมาอาจจะทำเช่นเดียวกับเขาเมื่ออาตมาอายุเท่าเขาและกำลังสนุกอยู่กับเพื่อน เ, อนเมื่อเขาเห็นอาตมาหัวเราะ เขาก็เร่งเครื่องผ่านไปการหัวเราะให้กับการสบประมาทเชน่นนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการจะแสดงท่าทางรังเกยียจและอับอาย